ปาจิตติยากันรัตนวักวักว่าด้วยนางแก้วหรือพระราชเทวีเป็นวักที่เก้ามีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งรัตนวักในปาจิตติยากันห้ามเข้าไปในตำหนักของพระราชาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลขอให้พระพุทธเจ้าส่งพิกษุไปสอนธรรมะแก่พระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงส่งพระอนนท์ไปสอนเป็นประจำเช้าวันหนึ่งพระอานนท์เข้าไปยังตำหนักของพระเจ้าประสเสนที่โกศลพระนางมัลลิกาต้องรีบออกจากตำหนักนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่าภิกษุไม่ได้รับนัดหมายก้าวล่วงธรณีเข้าไปในห้องของพระราชาผู้ได้รับมูรธาพิเศษ ในเมื่อพระราชายังไม่เสด็จออกพระมเหสียังไม่เสด็จออกต้องปาจิตติสิกขาบทที่สองรัตนวัต์ในปาจิตติยกันห้ามเก็บของมีค่าที่ตกอยู่ภิกษุรูปหนึ่งเก็บถุงเงินของพรามผู้หนึ่งด้วยปรัรถนาดีเมื่อพรามมาถามก็คืนให้ไป พรามแกล้งกล่าวว่าเงินในถุงของตนมีมากกว่านั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องให้รังหวัดพราะผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเก็บเองหรือใช้ผู้อื่นให้เก็บซึ่งรัตนะคือแก้วแหวนเงินทองหรือสิ่งซึ่งสมมุติว่าเป็นรัตนะทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่า ของตกในวัดหรือในที่อยู่ควรเก็บเพื่อจะคืนเจ้าของไปถือว่าเป็นการปฏิบัติชอบสิกขาบทที่สรัตนวักในปาจิตติยากันจะเข้าบ้านในเวลาวิการต้องบอกลาภิกษุก่อนภิกษุฉับ พ, พะขีเข้าสู่บ้านในเวลาวิการคือเลยเวลาเที่ยงขึ้นไป ชวนชาวบ้านพูดเรื่องไร้าสาระเป็นที่ติดเตียนของคนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเข้าสู่บ้านในเวลาวิการทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงผ่อนผันให้เข้าไปในบ้านในเวลาวิการได้เมื่อบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดหรือในเมื่อมีกิจรีบด่วน สิกขาบทที่สี่ระตนวัคในปาจิตติยากันห้ามทากล่องเข็มด้วยกระดูกงาเขาสัตว์ช่างกลึงงาช้างปรวรณาให้ภิกษุขอกล่องเข็มได้ภิกษุทั้งหลายก็ขอกันเรื่อยมีกล่องเล็กขอกล่องใหญ่มีกล่องใหญ่ขอกล่องเล็กจนช่างไม่เป็นอันทาขายเขาติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุให้ทำกล่องเข็มที่ทำด้วยกระดูงาช้างเขาสัตว์ต้องปาจิตตีและต้องให้ต่อยทิ้งหรือทำลายก่อนจึงแสดงอาบัตตบสิกขาบทที่ห้ารัตนาวักในปาจิตติยกันห้ามทำเตียงต่างมีเท้าสูงกว่าประมาณพระอุปนนทะสักยบุตร นอนบนเตียงสูงพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จตรวจวิหารพบเข้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ทำเตียงหรือตังใหม่พึงทำให้มีเท้าเพียงแปดนิ้วด้วยนิ้วสุคตเว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องล่างถ้าทำให้มีเท้าเกินกำหนดนั้นต้องปาจิตตีเมื่อต้องอาบัติแล้วต้องให้ตัดทิ้งก่อนจึงแสดงอาบัติตก สิกขาบทที่หกรัตนวัตรในปาจิตติยะกันห้ามให้ทำเตียงตั่งหุ้มด้วยนุ่นภิกษุฉัพพชีให้ทำเตียงบ้างตั่งบ้างหุ้มด้วยนุ่นเป็นที่ติดเตียนของคนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุให้ทำเตียงหรือตัง่งที่หุ้มด้วยนุ่นต้องปาจิตตีภายหลังต้องอาบัดแล้ว ต้องรือสิ่งที่หุ้มนั้นออกซะจึงแสดงอาบัตตกสำหรับนุ่นหมายถึงนุ่นหรือสําฤีจากไม้ยืนต้นไม้เลื้อยและหญ้าในวินัยอนุญาตให้ใช้ทาหมอนได้สิกขาบทที่เจรัตนวัคในปาจิตติยากันห้ามทมผ้าปูนั่งมีขนาดเกินประมาณภิกษุฉับพัขี ใช้ผ้าปูนั่งไม่มีประมาณผ้าย้อยไปข้างหน้าข้างหลังของเตียงและตังพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ทําผ้าปูนั่งพึงทําให้ได้ประมาณคือยาวสองคืบกว้างคืบครึ่งด้วยคืบสุคตถ้าทําให้เกินประมาณนั้นไปต้องปาจิตตีหลังต้องอาบัตให้ตัดออกซะจึงแสดงอาบัตตก ภายหลังทรงอนุญาตชายผ้าปูนั่งอีกหนึ่งคืบสำหรับหนึ่งคืบสุคตเทียบได้เท่ากับยี่สิบห้าเซนติเมตรสิกขาบทที่8ปรัตนวั์ในปาจิตติยะกันห้ามทำผ้าปิดฝีมีขนาดเกินประมาณภิกษุฉับพัคคีใช้ผ้าปิดฝีไม่มีประมาณ ลากผ้าไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าจะทำผ้าปิดฝีพึงทำให้ได้ประมาณคือยาวสี่คืบกว้างสองคืบด้วยคืบสุคตถ้าทำให้เกินประมาณนั้นต้องปาจิตตีหลังต้องอาบัตให้ตัดทิ้งซะจึงแสดงอาบัตตก สิกขาบทที่เก้ารัตนวัชในปาจิตติยากันห้ามธรรมผ้าอาบน้ําฝนมีขนาดเกินประมาณภิกษุฉัดพคีใช้ผ้าอาบน้ําฝนไม่มีประมาณลากผ้าไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ทําผ้าอาบน้ําฝนพึงทําให้ได้ประมาณคือยาวหกคืบ กว้างสองคืบครึ่งด้วยคืบสุคตถ้าทำให้เกินประมาณนั้นต้องปาจิตตีหลังต้องอาบัตให้ตัดทิ้งซะจึงแสดงอาบัติตกสิกขาบทที่สิบรัตนวัคในปาจิตติยกันห้ามทมจีวรมีขนาดเกินประมาณพระนันทะพุทธอนุชา ใช้จีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคตภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเดินมาแต่ไกลก็ลุกขึ้นต้อนรับด้วยนึกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเมื่อเข้าใกล้เห็นว่าไม่ใช่จึงติเตียนว่าใช้จีวรขนาดเท่าของพระสุคตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทาจีวรให้มีขนาดเท่าจีวรสุคตหรือยิ่งกว่า ต้องปาจิตตีให้ตัดทิ้งซะสำหรับประมาณแห่งจีวรสุคตคือยาวเก้าคืบกว้างหกคืบ